ข้อ 3. ความไม่รู้ในความดับทุกข์เมื่อยังดับไฟคือตัณหาไม่ได้อย่างป้อนเชื้อให้อยู่เสมอคือยังทำอะไรไปตามความปรารถนาต้องการไม่เลือกว่าผิดหรือถูกต้องการแต่จะให้ได้มาเท่านั้นก็ยังไม่รู้จักความดับทุกข์แม้จะเข้าใจว่ามีความสุขเช่น เมื่อได้อะไรมาก็เกิดความสุขโสมนัสปพระสมปรารถนาและได้ใช้บำรุงความสุขต่างๆแต่พิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าความสุขโสมนัสนั้นมีขึ้นประเดี๋ยวหนึ่งเช่นเดียวกับเมื่อนําเชื้อใส่ให้ไฟไฟก็กินเชื้อสว่างโคลงขึ้นครู่หนึ่งแล้วก็ลดความสว่างลงไปตามส่วนแห่งเชื้อที่หมดไป ต้องหาเชื้อใหม่มาให้อีกจึงจะสว่างขึ้นอีกความสุขสมนัสก็เช่นกันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในเวลาไม่ช้านักสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนกองเท่าฐานไม่เป็นที่ต้องการของไฟตันหาเพราะตันหาต้องการของใหม่ๆอีกส่วนประโยชน์การใช้สอยจริงของแต่ละคนมีไม่เท่าไหร่เช่นข้าวที่บริโภค ก็มีปริมาณจำกัดเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นต้นก็เช่นเดียวกันการสแสวงหาเท่าที่ร่างกายต้องการบริโภคดูก็ไม่เป็นภาระมากมายอะไรนักแต่ที่เป็นภาระมากก็คือเพื่อให้เป็นที่พอใจหรือเพื่อเสนอสนองตัณหาซึ่งไม่มีเวลาที่จะพอได้จึงไม่มีโอกาสที่จะได้พบความสุขที่ถาวรที่เป็นความดับทุกได้แท้จริง อะไรเป็นความดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัส ช, ชี้ระบุไว้ว่าคือความดับตัณหาเสียเพราะตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อดับเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์คิดดูง่ายๆอย่างสามัญว่าเพียงดับตัณหาชนิดหยาบที่เป็นเหตุให้ทำทุจริตได้อย่างเดียวก็ดับทุกข์ได้มากมายสามัญชนดับตัณหาได้เพียงเท่านี้ ก็พอสมควรแต่เพราะอาวิชชามากำบังจึงไม่รู้ในความดับทุกข์ว่าคือความดับตัญหาเสียข้อสี่ไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกสั้นว่ามร ไม่รู้ในข้อนี้ยอมเป็นเหตุให้ปฏิบัติไปในทางที่ผิดคือในทางก่อทุกข์แทนที่จะเป็นทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ระบุไว้ชัดเจนว่าทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นคือมักมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสองข้อนี้ย่อในปัญญาสิกขา สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตักการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามข้อนี้ย่อลงในศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามข้อนี้ย่อลงในจิตตสิกขา เมื่อปฏิบัติในทางแห่งตันหาซึ่งเป็นทางแห่งทุกข์แม้จะปรารถนาความสิ้นทุกข์หรือความดับทุกข์ก็ไม่อาจถึงได้คนที่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนต้องประพฤติทุจริตต่างๆแม้จะมีอำนาจทรัพย์บริวารเป็นต้นมากมายและแทนที่จะมีในทางที่เป็นประโยชน์กลับมีในทางที่เป็นโทษเพราะปฏิบัติไปในทางแห่งตันหาเป็นผู้ลุ้อานาจแห่งตัหา หรือเป็นธาตุแห่งตัณหานับว่าเป็นอวิชชาในข้อนี้ซึ่งคู่กับข้อที่สคือข้อที่สไม่รู้เหตุผลข้อที่สไม่รู้ในเหตุทั้งสองข้อนี้รวมเป็นความไม่รู้ในสายดับทุกข์ข้อหความไม่รู้ในเงื่อนต้นหรือในอดีตข้อ6ความไม่รู้ในเงื่อนปลายหรือในอนาคตข้อ7 ความไม่รู้ในทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลายทั้งอดีตและอนาคตข้อ8ความไม่รู้ในธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นทั้งสี่ข้อนี้อธิบายรวมกันว่าเหตุและผลทั้งสองสายดังกล่าวในสี่ข้อข้างต้นที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในทุกๆคนย่อมมีเงื่อนที่จะจับขึ้นมาพิจารณาให้รู้ได้เมื่อจับเงื่อนไขได้ถูกก็จะรู้เหตุและผลได้ถูกต้อง เงื่อนนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อ ก, ก็มีสองคือเงื่อนต้นและเงื่อนปลายถ้าจะชี้ว่าอะไรเป็นเงื่อนเหล่านี้ก็อาจชี้ได้ว่าในสายทุกข์ตันหาเป็นเงื่อนต้นแห่งทุกขส่วนทุกข์ที่เป็นผลเป็นเงื่อนปลายและถ้าผลนั้นก่อตัณหาให้เกิดขึ้นอีกผลนั้นก็เป็นเงื่อนต้นขึ้นอีกเช่นทรัพย์ที่ได้มาในทางที่ผิดด้วยตันหา ได้มาแล้วก็เป็นเครื่องยั่วเพิ่มตันหามากขึ้นก็กลายเป็นเงื่อนต้นแห่งตันหาขึ้นอีกได้ในสายดับทุกมักมีองค์8เป็นเงื่อนต้นความดับทุกเป็นเงื่อนปลายและความดับทุกอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ปฏิบัติในทางดับทุกยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นเงื่อนต้นแห่งมักที่ยิ่งขึ้นไปได้อีกเหมือนกัน หรือจะยกการเวลาขึ้นมาพิจารณาโดยกาหนดปัจจุบันเป็นหลักก็ได้คือจับเงื่อนต้นแต่อดีตสืบไปถึงเงื่อนปลายในอนาคตเหมือนกำลังเดินอยู่ในทางสายยาวย่อมจะมีข้างหลังที่เดินมาแล้วมีข้างหน้าที่จะเดินต่อไปตกว่ามีทั้งข้างหลังข้างหน้าต่อไปกันฉะนั้นเมื่อไม่รู้ตามข้อ567คือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ก็จับเหตุจับผลจับหน้าจับหลังไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเหตุผลดังกล่าวย่อมเกิดสืบเนื่องกันไปเป็นสายเหมือนดังทางสายยาวดังกล่าวทั้งเป็นทางวนเป็นวงกลมเพราะสิ่งที่เป็นผลย่อมกลับเป็นเหตุสิ่งที่เป็นเหตุก็กลับเป็นผลเวียนวนกันไปดังเช่นตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี่เรียกว่าธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้น ยกตัวอย่างโดยสรุปอีกข้อหนึ่งคือวัตตะที่แปลว่าวนสามได้แก่กิเลสกรรมวิบากคือผลกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุแห่งวิบากและวิบากก็กลับเป็นเหตุแห่งกิเลสอีกวนไปดังนี้ถ้าไม่รู้ในธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้น ก็จับเหตุผลที่เกิดเนื่องกันไปไม่ได้สิ่งที่ปรากฏขึ้นทุกๆอย่างกล่าวได้ว่าเป็นเหตุผลที่เกิดสืบเนื่องกันไปเป็นสายเช่นสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เรียกว่าธรรมชาติเช่นฝนตกซึ่งเป็นผลอย่างหนึ่งถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้ฝนตกก็จะพบเหตุผลที่สืบต่อกันไปหลายอย่างเป็นสายต่อเนื่องกันเหตุผลเหล่านี้ถ้าไม่ต่อเนื่องกัน ขั้ตอนกันเสียก็จะไม่เกิดผลที่นับว่าเป็นเงื่อนปลายคือฝนตกสิ่งที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวก่ธรรมชาติและกรรมของคนประกอบกันเช่นความยากจนของคนส่วนใหญ่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวแก่กรรมของคนโดยตรงเช่นโจรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทุจริตต่างๆการยกพวกตีกันของคนกลุ่มน้อย จนถึงสงครามระหว่างคนกลุ่มใหญ่ย่อมมีเหตุผลที่สืบต่อกันไปหลายอย่างถ้าจับเหตุผลหน้าหลังเงื่อนต้นปลายแต่ละเงื่อนโดยเฉพาะและที่รวมกันทั้งสองเงื่อนและที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสายได้ตลอดทั้งสายเกิดสายดับย่อมสามารถจะแก้ไขได้ถูกต้องถ้าจับเงื่อนทั้งปวงไม่ถูกเพราะไม่รู้ตั้งแต่ข้อหถึงข้อป ก็เป็นอันไม่รู้เหตุผลทั้งสายเกิดทุกข์ทั้งสายดับทุกข์ดังกล่าวในข้อหนึ่งถึงข้อสี่จะสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกจะมืดหน้ามืดหลังจะมืดตลอดสายจึงไม่อาจจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงได้